นี่เป็นวันพุธปุ่มนี้เขครบเจ็ดวันของการบำเพ็ญบุญตามประเภท น, นิยมของช า, าวพุทธถ้ามีโอกาสของญาติ ที่อยู่ไปหลังถ้ามีกำลังก่อทำบุญเจ็ดวันแล้วพวกนี้ทำบุญเจ็ดวันอย่างวันสุขก็ไปชุมเพลิ ง, งเดี๋ยวต่อไปแต่โอกาสไปเทำบุญห้าสิบวันร้อยวัน ว่าการทำความดีนั้นมีโอกาสเรามีโอกาสเมื่อไรก็ทำความดีได้เมื่อนนั้นอปูอกาสคือชองว่างเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลกันต้นเราเป็นผู้ที่มีคุณธรรมขึ้นมาเวลาลึกเป็นบุญคุณ ของปุรปชนคนที่เกิดก่อนหรือเกิดหลังจะมีบุญคุณต่อกันจึงเปนน้องตอบแทนทแสดงความกตัญญูกตเวทีตาธรรม แต่ยูรู้ปกกาคุณที่ผู้อื่นอนุกราะสงเคราะห์เพราะกิจอย่างใดที่เราทำไม่ได้มีผู้อื่นทำให้เป็นนิมิตหมายว่าผู้นั้นมีบุญคุณกับเราผู้นั้นได้ให้นี้แก่เรา โดยตรงครออันเราอันดาทิเมากาทิเมะ ย, ยาทิบิตาจากาจาเมะทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่รัลูกจากลูกนี้ไปสู่โลกหน้าในโลกในโลกหน้านั่นน่ะกาณนิจกรรมก็ดีหรือกาิกรรมก็ดีทุกอย่างไม่มี อาศัยญาติในโลกนี้ทำบุญดูทิ์ง่ายเพื่อให้ผู้ที่ลาโลกนี้ไปสู่โลกหน้าได้เห็นบุญเห็นแสงสว่างคือดวงประทิตย์ได้แก่ปัญญาเป็น องชี้นำดวงวิญญาณของผู้ที่ร่วงลับจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเหมือนผู้ผู้นำทางที่เรายังไม่รู้จักทางมีผู้นำทางเราถึงเดินถึงจุดหมายปลายทางที่จะไป แต่ครูนั้นทำบุญไว้ด้วยก็แล้วว่าเป็นเป็นกุศลหมากุศลึ้นมาเราก็อาศัยบุญของท่านเมื่อโอกาสเราได้ทำบุญและลึกถึงคุณของท่านแล้วโดยได้ทำบุญต่อไปเป็นการแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาธรรม การประารพบกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเราจึงสร้างบุญบำเป็นบุญวันเกิดบ้างทำบุญวันตายบ้างเรียกบำเป็นบุญ โดยการบำเพ็ญทานโดยการบำเพ็ญศีลบำเพ็ญทานเพื่อให้เราอุดมสมบูรณ์โดยสิ่งที่เราอาศัยที่ยังอยู่ในโลกที่เราเดินทางไกลเรามีสเสบียงเดินทางไกลจาเบียงทางในวัตฏะ สร้างบุญคือก่ศลขันต้นคือบำเพ็ญทานลหลายอย่างบำเพ็ญทานทริง่เป็นประโยชน์กับผู้รับก็เรียก่บาบำเป็นบำเพ็ญทานบำเพ็ญบุญ เพียงที่ทำชีวิตของตนในมีความโปรดไปแหนยังไลความให้บำเพ็ญศีลศีล ท, ที่เป็นป้องกันภไฟอันตรายนานาประการศีลเป็นเครื่องตกแต่งรูปธรรมต่อไป เราได้รูปธรรมมาดีก็เพราะศีลตกแต็งร่างกายที่เราได้อาการร่างกายอาการสามสิบสองที่บริบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัว่าเราเป็นผู้มีบุญบำเพ็ญศีลไว้ในอาการสามสิบสอง ในเป็นองค์กรนั้นสำคัญในทางศาสนาเป็สมาธิให้เป็นอารมณ์ของกรรมาฐานจเจริญสมาธิคือเห็นบุญที่เราได้มาพระเจ้ากรรมคือบุญสร้างรูปร่างอันนี้มา ไอา อ, าอาการ3ามี่สองบริบูรณ์เปลียนผมบนศรีรษะขนตัวสะาะพังไกเป็นเด็กฝ่ามือฝ่าเท้าเล็บใบมือใบเท้าฟัน บางคนฟันทีสวยมันดังมีสาขาหมาบาริกาผิวตีเหนราดได้ด้วยบุญแต่โจหนังผิวปันบุดผองเราเห็นพระพุทธรูป พระพุทธปฏิมาตรมาระลึกถึงว่าที่ไหนที่ไหนพระพุทธศาสนาแผ่ไปแผ่ไปจึงมีพระพุทธปฏิมาซึ่งเป็นผู้สอนศาสนาเพราะพระองค์ทรงทราบถึงเรื่องของศาสนา คนได้เคารพบอูชาพระุตธเจ้าแล้วน้ำใจเบิกบานอิ่มเอือบอิ่มด้วยความดีมีน้ำใจผ่องใสแต่ยิ่งบำเพ็ญสมาธิภาวนาในอินทรีย์เก่กร้า จินสมาจิตซีอินทีแก่กล้าทำให้จิตนั้นเกิดปัญญาเห็นว่าปัญญาสมาธิอบรมแล้วมีอา น, นิสงส์มากขึ้นมา สีนสมาสมาธิและปัญญาปัญญามองเห็นกลางไกลสมัยนี้ก็วิสัยทัศน์อย่างคนที่มาอยู่ประเทศออสเตรเรียเป็นมาเป็นประเทศที่มีระบบระเบียบมีกฎหมาย คนมาอยู่แล้วรู้สึกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่ด้วยความสบายเขาพยายามพัฒนาประเทศของเขาให้เป็นคนดีขึ้นมาคนดีมีศีลธรรม วันศาสนาสอนให้คนมีศีลธรรมเมื่อเราโอกาสอันดีที่มีเหตุปัจจะโยขึ้นมาเ่็นบางท่านออในพัฒการนีทั้งจิต้งมีโอกาสไม่ละโอกาสอันดีนี้ให้ นาทีทองล่วงไปหรือบางท่านมีโอกาสมีพลามากก็วันไหนมีโอกาสว่างก็มาสร้างบุญให้แก่ตนพอดีประกอบกับว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องที่ต้องลาลกนี้ไปสู่โลกหน้าจําเป็นต้องมาบําเพ็ญบุญสร้างบุญ จ้างบุญยนที่ที่ในประกาศตนเป็นบุคคลที่รู้อุปกรารคุณว่าเราเป็นคนดีขึ้นมาภาษาลิมุตเทระเจ้าท่านรับเข้าทัพพีของราตาปามเพียงทัพพีเดียว แล้วเป็นพระบวชให้ความดีที่ปูนทำให้แกเราเป็นตราสำคัญเป็นอะไรไม่ขีดหรือจางึกืปึนแผนหินไม่เลือนหายปรากฏในใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อโอกาสเมื่อไร เราก็สร้างความดีตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณแล้วเราได้โอกาสได้รึถึงผู้บังเกิดเก่าของเราทุกคนต้องมีผู้บังเกิดเก่าพระพุทธเจ้าตรับว่ามารดาบิดาแต่นสมาสมพุทธเจ้า จึงทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทุกทุพระองค์จัดสรู้แล้วเทจนาสั่งสอนเวไนนิกชนเกิดทต า, าเรื่มใสบรรลุธรมรมตรงธารนานปกดิรตีปู้ที่มีความเหม็นผิดให้กลับเป็นคนดีนถูก อย่างนี้พระองค์ก็ทรงพิจารณาแล้วเมื่อเข้าพรรษาก็เสด็จไปธรรมศาในดาวอุดมและเฐวโลกพระเปิดพุทธมารดาเรามีพระคุณแก่บุตรแก่ธิดาแก่พระองค์ทุกปอบทุกชาติคนนี้เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกปอบทุกชาติ จนพระพุทธเจ้ารัสรู้ได้ขีนาชาติไม่เกิดแล้วแต่เด็ดเป็นธรรมะเกิดในดาวดึงทรงแต่เด็ดไปจำนรรษาและแสดงธรรมให้พุทธมรนดาเป็นพระโสดาปฏิพั์เป็นพระอริยบุคคลมีคติที่แน่นอน สามารถคำนวณนับได้ว่ากี่กี่พบเจ็ดชาติต่อไปในะก็ยังไม่ถึงชาตินะังยังไม่บรรลุถึงพระอริยามรรคอริยผลก็เจ็ดชาติที่พระองค์ยังทรงโปรดพูทธมรมดาเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญความดีแล้ว เราถึงนึกถึงพระอรหันต์ของเราคือมารดาบิดาเป็นพระอรหันตุทุกท่านมีพระอรหันต์มารดาบิดาพระสมมาตรัตเป็นพระอรหันต์เป็นพระพรม กันอุปมาอุปไมยเราเข้าใจว่าพระพรหมมันคืออะไรคือเมตตาที่เราวดเมตตาเมตตาคดุนามุริตาเบคาก็ต้นตัวเมตตาเราแผ่เมตตาและไม่มีเวร เบตตาอเวราอพยาป ช, ชาอานิคาสุกีอัตนางปริยารนตุกกมเวเนมันได้รับผลที่คนทำโตบกกันแต่แผลเมตตาแล้วหายจากเวนเราลบ ลบความดีด้วย ก, กันการทำความดีขอที่ต้นแพ่เมตตาโบราณเขาเคร่งครัดเราผิดอะไรมันอย่างทางพระจึงไงขอขามากันเราโทษรับโทษจึง เ, เป็นกัน แผดเมตตาไม่วิเวิกันการุณาคือช่วยเหลือสบเปจตาสวาณุก้าขอสางพ้นจากทุกข์มุริตาคือบันเทิงเมื่อขอพ้อนจากทุกข์ได้ดอกจีพรอนุโมทนายินดี ยินดีนีเขาได้ความดีแล้วก็นมูดีตาพูนพนจากทุกแล้วอุเบกขาถ้าไว้วางเฉยผู้ที่เจริญเมตตาให้มากเมื่อเราสวดมนต์ะปต่อท้ายแต่เมตตาเรามาทำบุญอุทิศให้ท่านผู้ที่ฟวงล้ไปแล้ว แล้วก็แผ่เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายเราไม่รู้ไม่มีญาณภาในทั้งหลายก็ได้มารอรับส่วนบุญจากเราที่มีน้ําใจประกอบไปด้วยบุญจึงเราแผ่เมตตาแจกบุญเพื่อให้เขาพ้นจากทุกข์เขารองรับบุญของเราเพื่อเขาพ้นจากทุกข์ แค่พระพุทธเจ้าในโลกนี้คนที่ไม่เคยเป็นญาติไม่เบีในว่าในชังสารวัตรนี้อมตะเกสังชารลคนไม่เป็นญาติไม่เป็นพี่ใหม่เป็นมอกไม่เป็นพ่อใหม่เป็นแม่ไม่มีในโลกชังสารวัตเนี่ยพเรานับไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าตรัส อันนี้ถึงเราแผ่เมตตาเพือกูญกันเลยหนุนกันไปเป็นลำดับลำดับเพราะนั้นเราบำเพ็ญธรรมในกั้นต้นบำเพ็ญสีนสีล น, นี้เป็นหลักสำคัญที่ทำเรามีมีเมตตามี การุณาสมาธิให้เกิดปัญญาแสงสว่างเห็นความดีที่บุคคลอื่นทำให้เกิดเกตนเราจึงอุทิศส่วนบุญนั้น แต่จิตเนียวแน่นดีเห็นเห็นชีวิตของคนอยู่ในในอดีตในชาติก่อนอันนี้เป็นขั้นโลกียังไม่ถึงขั้นลโลกุตแต่จิตของบุใดบริสุทธิ์เป็นฌานเดินฌานจนชำนาญ ชำนาญในการเจริญสมาธิดวงปัญญาธรรมโมปาดิปูแปรตัมคือประดวงประทีป่ปรากฏในจิตของบุคคลผู้นั้นผู้นั้นต้องเห็นบุญเห็นคนนั้นทำไม่เก่ดเราบางังเราทำไม่เก่ดเขาบางัง เกิดในพบใดพบหนึ่งก็โลกมีความเกี่ยวเนื่องอย่างนี้ครับเราเป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเป็นอยู่ค น, คน น, น, น, นคนนู้นช่วยน้นคนนั้นช่วยนี้อย่างนั้นในวัดวันหนึ่งวันหนึ่งคนนั้นอ้ายนั้นคนนี้อ้าย น, นี้ช่วยทํานั้นช่วยทํานี้วันจึงดงํารงคงอยู่เพื่อเป็นสถานที่ บังเป็นความดีเป็นสถานที่รวมสมาคีกันแพร่พืชความดีแต่เป็นสถานที่แพร่พืชธรรมมาสวดมนต์ภาวานาเจริญภาวานา แต่คนห า, หาเวลาหากฎดมายได้เขาจะเกียกเวลาเหมือนกับเราไม่สบายเราต้องไปหาหมอหายาแก่เป็นวัตของหายาแก่บัตรออาาแก่ไอ้ก็ยาแก่ไปท้องดึกท้องคู่ก็ายานเนี่ย เพราะฉะนั้นการเพ็ญภาวนานี้ก็เหมือนกันเห็นอุบายวิธีจะแก้ความทุกข์ความทุกข์ในจิตเราสามารถแก้ความทุกข์ทางจิตความทุกข์ทางกายกายุบไปค่้เจ็บต่างๆเราก็อาใัยในแพทย์ ื่อยเยียวยารักษาความทุกข์ทางจิตอาศัยออกมาครอบกับบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าไน้ได้จะดับรับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมโอษฐพุทธโอษฐพุทธโสถฐลดลดจิตเราจิตเราเด่นสบาย กายจากความทุกข์ทางตางใจใจเราสบายใจเราสบายเราบริหารกายเมื่อเรารู้จักความสะอาดของสถานที่แล้วทาความสะอาดของสถานที่แล้วก็อยู่สบายใจมันสะอาดแล้วเราก็บริหารกายให้อยู่แม่กายแม่กายทํา ทำความเสียให้กายทำเต็กความดีจิตก็ได้รับความดีจิตก็ได้สบายจิตก็ผ่องใสขึ้นมาจึงเกิดวาสีคือความชำนานเห็นอานิสงส์ของการบำเพ็ญภาวนาทั่วปัญญาคือทำจิตใจใพ้นจากทุก ได้บุญนี้นำดวงใจเราไปสู่ความปลอดภัยตามลำดับชาติแทนว่าเหมือนยวดยานพาหนะที่เราขับขี่ไปสู่ที่เราจะไปถ้ายวดยานดีก็ไปเร็วดีถนนดีไปดีเลยมันร่างกายเราดีใจเราดี มีสเสบียงเลี้ยงร่างกายได้มีน้ำกิจฉลาดในการที่ไปถึงสถานที่ด้วยความสวัสดีคือความปลอดภัยเป็นเรื่องของบุญสำคัญมาก ผู้ใดบำเพ็ญผู้นั้นเห็นเองจิตใจสบายนั่นน่ตัวบุญแล้วจิตมันผร่งใสถึงใจพ้นจากทุกเมื่อเราบำเพ็ญให้เห็นที่จิตพน้นจากทุกแล้วเราก็ไม่ต้องพูดวความทุกข์ทางใจ เพราะใจไม่มีทุกข์แล้วมีธรรมะคือสติสตมิมีบทบาทอันสำคัญมีสติมีสัทธาอริยสัพภายในตาตาตังสัพคือสัทธามองเองินสัพภายนอกอริยสัพภายใน สีแลัตัณั์ทับคือสีลเราท่านต่างหายทุกคนมีรูปร่างที่เราทั้งหมดเรื่ร่างกายก็เรียกว่ารูปเวลาไม่สบายร่างกายนี่มันเปลี่ยนไปภาษาต่าง ทางกายก็ยังรู้สิ่งที่มาสัมผัสก็รู้หรือเคลื่อนไหวก็รู้ที่ของไม่ดีเครื่องไรมันมีความรู้ขึ้นมาประสาททางศาสนาเขาเราเวทนาประสาทมันอะไรก็าตามที่มันป่วยมานอาบมานาาันอาพเป็นธรรมดาของขัน เป็นตัจธรรมอันหนึ่งเป็นอริยอริยธรรมของพระอริยเจ้าท่านจึงศึกษาให้เข้าใจจึงถอนความอะไรจรึงรีบเร่งสร้างสิ่งที่ความเป็นจริงรู้ความเป็นจริงในขั้นต้นยิงคนอายุมากเขา้าแก่ยาก สัญญาความจำเราท่องจำคนที่ความจำดีเขาอารมณ์น้อยเรื่องราวต่างๆน้อยพอเรื่องราวมากเขาอย่างโน้นอย่างนี้ธุรกิจเกี่ยวกับสังคมบ้างจำตามลำดับไม่ได้ เหมือนการสวดมนเนี่ยเราจำตามลำดับข้อถ้าเผลอไใบมันสับหน้าสับหลังดังนั้นเท่ว่าสัญญาไม่เที่ยงความจำไม่แม่นยำอาศัยความแม่นยำก็ถึงเราสาทยายเอาตำรามาพิจารณาแต่เราสวดดีต้อง จำแม่นจำสะอาเป็นสะอาดจะอิเป็นจะอิตัวส ะ, ะกดให้ว่าถูกตำอัครวิธีแต่นี้ก็ลังริ้นบางทีเราริ้นไม่ดีอีกแล้วริ้นมันแข็งมันเสื่อมไปหมาเราก็าใจในรูปธรรมอย่างที่กล่าวนี้แหละเราจึงถอนอาไร ในความเปลี่ยนไปของรูปธรรมที่ว่าสัญญาความจำไม่แม่นยำมันเท่อมไปให้เราเข้าใจล่วงหน้าพอถึงเวลาจริงจังขึ้นมานึกไม่ได้เห็นคนพูดเก่งไม่ได้จำไม่ได้บางครั้ง มันจำไม่ได้มีความเป็นจริงอย่างที่กล่าวนี่แหละเคยสัญญามันเสื่อมประสาทมันดับประสาทของตัวสัญญามันชาประสาทมันชาเตะใจเราไวแค่นี้ประสาทในตัวสัง่งงานสั่งไม่ทัน เหมือนคนทำมัน่วยชาทำไม่ทันขับความต้องการของนวของหน่วยงานนี่ในสังขารคือฉันสัญญาก็เหมือนกันถึงลงให้เข้าใจศึกษาเข้าใจค่นี้คนทีมันสมองดีก็พยายามศึกษาอารมณ์น้อยเรื่องเรื่องราวต่างๆมันน้อย จำได้แม่น ย, ยําวันหนึ่งวันหนึ่งเรื่องอะไรเอาที่จำเป็นเข้ามาว่าี่เราต้องทำอะไรบ้างเราจึงขี่เขียนทำตามลำดับขั้นตอนของการงานนั้ น, น, นจึงก็มีป้ายเขียนความทรงจำไว้ว่า กันความลืมสัญญาอนิจจาแสดงถึงตัวธรรมะถึงในรูปากายของเราของท่านนี่แหละเป็นของจริงสังขารที่เราพุงแต่งมันคนปรุงอะไรมีความชำนาญในวสีภาษ า, าศาสนาก็รว่าสีความชำนาญ ชำนานในการปรุงอาหารหลาย อ, อย่างถ้าไม่ชำนาญก็นึกไม่ได้อะไรบ้างที่มาสมกันท่านเรียกว่าปรุงทำจนชำนาญภาษาหลักธรรมะกืว่าีในการทำบรจกคือการหน้ากับสังขารที่มารวมกันรวมกัน เขาด้ปรุงแต่งแต่แท่งคือความเสื่อมืงองกันนี่กันสังขารน่เหมือนบ้านเรือนที่เขาทำแล้วส่วนใดมันเสียไปกรเบื้องมันแตกแหนงมันหักฉันทันมันก็ถูกแดดถูกฝนบางทีก็ผูไปผูไปถึงเสาอะไรผูไป ท, ท, ท, ที่อย่างทีอย่างทีอย่าง ในร่างกายของเราเหมือนกันเนี่ยมันก็เชื่อมไปทุกอย่างในสังขารจากวิญญาณความรู้แจ้งทางตาตามันก็เชื่อมต้องมีเว่นขยายให้รู้ขยายคือใกล้ย่นมาใกล้ ทางภาษ า, าศาสนาเขาเรียกว่าอิทธิวิตีแสดงฤทธิ์ได้อิทธิวิตีย่อยสั้นขยายไกลไปก็ได้ฉะนั้นวิญญาณที่รู้ทางตาทำไมก่อน เราเขียนหนังสือเนี่ยต้องเอาแหวนอกแต่อ่านหนังสือสวมแหวนเดี๋ยวมันกัดไม่นานๆไปไม่ต้องใช้เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วตามองเห็นคนใกลไม่รู้จักหน้าตาเลยเสื่อมอย่างนี้ก็เลยมันเสื่อมไปวิญญาณังอานิจังมันเสื่อม เสื่อมโดยพฤติไนมันเป็นไปไม่ทําอะไรอ่ะใช้ไปใช้มันเสื่อมไปเองหรืออไมนี่คนยังเด็กยังสายตามันเสื่อมมาแต่แต่เดิมแล้วต้องใช้เว้นตาแล้วที่บางคนสร้างมาดีไม่ต้องใช้เว้นตาเลยจำได้แม่นจาเขียนหนันงสือได้ดีนี่เห็นแล้ว บางท่านใช้ตาดีอย่างนี้ก็ได้เราสร้างบุญไว้ดีที่เราศึกษาให้รู้ในในเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยแหละเราจึงไม่โมเมไม่วุ่นวายรักษาได้ก็รักษาไปยังแก้ไขได้ก็แกไ้ไขไป แก้ไไม่ได้ก็จะเอายินดีในส่วนอย่างอื่นส่วนที่มันดีอยู่นั้นเราจะทำอย่างไรมันเป็นไปธรรมดาของกฎจรจธรรมรับศึกษาหลักความรู้ในทางศาสนาคือแสดงบทบาทของรูปธรรมมณนนีที่เราก็มาบวดในศาสนาเพื่อได้ศึกษา ได้หลายประกาศที่เราต้องศึกษากันเรื่อยไปในรูปประกายอันนี่ที่เราบริหารอยู่เนี่ยเไห้เดินบ้างจะนั่งอยู่กัเป็นทุกคู่ต้องเดินประชาศาษรนาเดินจงกรมนี่เดินหน่อยไเข่าไม่ดี คนเดินข้างปวดจ ะ, จะหกจะหกล้มมันทนไม่ไหวถึงไม่ได้ใช้อย่างนั้นนึกถึงท่านในตรวจดูจิตใจของเราเองที่เราจเจริญกรรมฐานสมถะกรรมฐานอุบายที่ทำให้จิตมันสงบระดับดับความวุ่นวายในใจ เนเราทำอะไรเสร็จแล้วภาษาโกโรกพักพรนหับนอนทางพระก็ได้จำวัดแต่เราเอเรื่องนั้นมาคิดเขามันก็นอนไม่หลับผมมากเขาก็เป็นโรคประหลาดาทางศาสนาจึงมีอุบายอุบายเราทำจิตของเราให้มีสติ จิตของเราถึงยังไม่รู้อะไรนักปราตัญราาถืว่าเหมือนกับเด็ดเราขังไว้ขังจิตไว้ในในอารมณ์ขังไว้วิธีขังคือการทำรวมทำรวมจิตของเรา ย้ายกิดมันออกไปต่างตาบ้างแต่เราต้องการอารมณ์น้อยนะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปรับเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นประโยชน์กับความเป็นอยู่ของเราไปจำบันหูก็เหมือนกันไม่รับฟังเสียงรับเสียงที่จำเป็นที่เราต้องใช้ เสียงทีย ว, วิธีแก้ไขในใจของเราจิตนี้เราเอาตรรมา ค, คือสติรักษาจิตไว้ถ้าจิตอยู่กับที่มีวบายาวิธีที่ท่านสอนมาให้เราเอาจิตเอาสติผูกจิตไว้กับลมหายใจ อุบายหลายๆอย่างแต่ว่าลมหายใจเป็นหลักสำคัญเป็นการบริหารร่างกายให้สบายลมนี่ทำให้ร่างกายสบายแต่เราเอาสติคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจเพราะลมหายใจมันอยู่ในใกายนี่แหละ เรามีสมาธิรู้ลมหายใจมันธรรมดาของลมถ้าลมไม่หายใจมันก็อยู่ไม่ได้ธรร ม, า ม, ม, ด, ามาดาต้องหายใจหายใจออกหายใจข้าวหายใจออกรู้ลมหายใจ เดี๋ยวหายใจยาวคอยรู้เขีนเราหายใจข้าวยาวจนถึ ง, งปลายเท้าคอยรู้มันเป็นสี่สุดอยู่ตรงนั้นหายใจออกมันไปทอบที่มันสมองหรือที่ปลายจมูกเรมามีสติคมจิตอยู่กับลมหายใจ มีองค์ของภาวนาคือภาวนาประวันึกบริกรร ม, มัพุทธครูบาอาจารย์ท่านสอนนะพุทธข้าวออกโทตัวพุทธในตัวตัวรู้จิตของเรา เกิดความรู้จิตนี้สัมผัสกับองค์ภาวนาคือพุทธคณะนี้นะลมหายใจอนาปานสติสติแล้วหรือตามลมหายใจครับเขาเรีออนาปานสติกรร ม, มาฐาน ในกรรมฐ า, านลมในสติสิบเรานึกเ็าเรียกริกรรมทำความรู้หรือในยันหนึ่งเ็าเรียกสัมปชัญญะรู้รู้รมหมายใจ ถ้าจิตขอเราแนบสนิทกับลมหายใจใจดีงมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่วุ่นวายเมื่อกจิตเมื่อกเราโน่นหลับได้กำมังทกำังกายได้สบายกายจิตเราก็เห็นกายสบายจิตแล้วจิตนิ่งจิตก็สบาย คล้ๆเป็นสายซึ่งกันและกันร่างกายสบายจิตสบาย เ, ออเหมือนเบากับนาย เ, ออเบาสบายนายก็สบายออนายเป็นผู้บงการงานต่างๆสั่งงานเรียบร้อยบริาหารของกิจการต่างๆ จเรียนบ่อยๆกันะตัวนึกวิภาษาหลักของการปฏิบัติธรรมชนะตรึกตรึกเป็นองค์ของภาวนาองค์ของธรรมทีในเย็นหนึ่งองค์ของฌานนึก นึกอยู่รู้รมนึกอยู่กับลมหายใจหารมอื่นไม่เข้าเราสัญญาลมอดีตก็ไม่มาอานาคตก็ไม่อยู่กับในปัจจุบันท่านว่าตรึกพีตกแต่ ว, ว่าตรึกตรึกอยู่กับความดี ความดีมันมีอะไรเ ร, เราูอยู่ลมหายใจเราทำความดีพิจารณ์พิจารณาเมื่อเราเพ่งตัวแติะเพ่งก็ได้อยู่กับสิ่งอันได้อันหนึ่งรู้ลมหายใจแล้วพิจารณาลมหายใจ ลมหายใจสบายไหมร่างกายสบายไหมแต่ร่างลมเดินทัว่วได้ว่ากายร่างกายเราสบายถ้าอธิบา ย, ย, บ ก, ยบ ก, ากายโบกายเราไม่มีอารมณ์ในใจ ก, ก, ากายโบที่เราถ้ามีอารมณ์ในใจเ็จะหนักใจ แต่า ก, าการปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมอะไรตัดไปสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวต่างๆไม่เห็นประโยชน์อะไรก็ตัด ไ, ไม่น้อมมาคิดมาปรุงมาเต่งอยู่กับพิจารณาลมหายใจ จิตที่อยู่กับลมหายใจเกิดความเบาไก่ทันปีติอิ่มมันคนที่บริโภคอาหารอิ่มกับปีกับเราของร่างกายถ้จะนอนก็หลับจิตที่เรามีปีติมันอิ่มกายเบา ได้มีความสุขทางกิตสุขอันนี้ไม่สุขอาศัยอามิตรที่ความสุขทางกิตบางบางครั้งเรานึกถึงสิ่งอันใดมันเกิดซึ่งเป็นอารมณ์ที่ดีไม่ก็จะสวมไปอีกแต่ว่าเราติดที่ปีติอิ่มอยู่กับลมหายใจในกายเนี่ย ร่างกายเราถ้าไม่ลมเดินปกติร่างกายเราสบายไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นหวัดไม่ได้ทุกอย่างเพราะว่าลมหายใจหายทางกระมูกหายใจเข้าหายใจออกแต่เรามีธรรมะคือสติควบคุมอยู่เราจะรู้ลมหายใจในกายนี้ธาตุนั้นสําคัญธานลม พัดขึ้นเบื้องบนไปถึงแต่เรากำหนดลมไม่ดีแล้วคนจะเป็นปวดศีรษะไม่มีลมนี่กละจายในกายในเครื่องติดกัดไม่มีและกระจายไปทั่วสราพาังกายเ็าเรียกว่ากายเบา แม้แต่เรานั่งสมาธิไม่ได้สนใจไม่อยู่ให้ดูรู้ลมหายใจกายก็เบาไม่ไม่เน็บชาแต่ถ้าว่าเราไม่ชํานาญในการบางทีมันเกิดเน็บชานี่ก็มีเหมือนกันบางทีนั่งตั้งหลายหลายนาทีโมงเฉยมันเหมือนเด็กจิตเราเหมือนกับเด็ก รอยมนอยไปเอาเรื่องของเราวจิตมันอยู่กับลมหายใจสบายแต่เพราะงั้นลมหายใจนี่เป็นตุกตาเป็นเครื่องเล่นของจิตร่างกายของเราทุกตาลมหายใจลมข้าวลมออกเป็นทุกตาเหมือนเด็กเล่นกับทุกตาเนะี่ยทุกตาจริงไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรหรอก เด็กมันเพลินไม่ได้ภาษาเด็กจิตของเราก็เหมือนกันน่ะแต่เราอยู่กับลมหายใจเพราะในกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของของธาตุคือธาตุลมถ้าไม่กายนี้ลมเดินจ ะ, จะดวกแล้วกายก็บบก แม่มีความสุขความสุขของจิตมันหลับไปสักนิดหนึ่งแม่เราไม่หลับแต่คนเราทำจิตในซองนะครับอยู่กับลมหายใจมีอารมณ์เป็นหนึ่ง เป็นความสุขของกายเป็นความสุขของจิตจิตไม่การทรับย์การใช้ท่านว่าถ้าเราตั้งใจจิตให้สงอบจริงๆ ก, ก็สามารถแก่โรคได้เห็นครูบาอนนาจารย์ท่านอธิบายไว้แก่โรคได้ สิงเราสวนบนสักกตวามุตตรัตะนังโอตะทั้งสัคตวามธรรมระตะนังโอตะทั้งธรรมวรมีตังเดมจงธรรมะเตเชนั่นตัวธรรมะแก้โรคหายจิงตองอาศัยอย่างอื่นแต่มันห้าสิบห้าสิบช่วยมันเบาบางแต่เราพูดในตาง เหตุผลกำลังใจที่เราสามารถแก้ไขทำกำลังใจเกิดขึ้นแก่ตนเองจิงกำลังใจอาศัยพูบุญก็ได้ผลมากกันแต่ได้ผลไม่เต็มที่ก็าเป็นจริงเป็นแม่นอนเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราโดยทั่วตลอดไป แต่ถ้ากำลังใจกิติเป็นสมาธิเนี่ยลมหายใจเราจะปรับปรุงแก้ไขเราเข้าใจนะครับอุบายอย่างไรที่ให้ใจสบายเห็นลมหายใจโอ้นี่เป็นความสุขอันหนึ่งร่างกายเราดีอยู่นี่ถ้าพิจารณาเห็นตัวบุญอีกคือความดีที่เราทำไว้ตัวบุญคือเราทำความดีไว้ ทำให้เดินลมเดินสะดวกท่องหายใจข้างหายใจเดินสะดวกอย่างคนหายใจติดขัดบางคนที่เป็นลมปับเลยลมมันไม่ออกภายนอกเฮาหอ่อหัวใจเลยบีบไปบ้าไปไม่ทันโรงพยาบาลแล้วที่เป็นลมอ่ะลม พอหัวใจครับก็อยู่ไม่ได้มันหายใจมีออกเมือนเราเข้าไปอยู่ในที่มืด อ, อากาศไม่เข้าเราเข้าใจทันทีว่าจะเป็นลมไม่ได้มืดหน้ามัวตา แต่เรามีสติปัญญาดังนีก้กามนี้เราทาพยายามทำทำจิตนะอยู่นิ่งเหมือนน้ำใสเย็นไหลมองเห็นหน้าเรามองเห็นใจเราเนวแน่มองเห็นอะไรไปในกายมองเห็นเป็นนิมิตขึ้นมาเกสาผม ในอาการสาสองบนศีรษะของเรามันเป็นไปนตามความเป็นจริงของผมลมมาขนทั่วสร่างกายเป็นให้ลมออกทั่วกลุ้มขนเป็นเป็นธรรมชาติที่เป็นบุญเศรษสรรปั้นแต่งเพราะงั้นเราทำความดี บุญญาพิสังขารบุญแต่งบังสังเนื้อเนื้อก็น้ำซึมได้ไม่แข็งกินน้ำมุกน้ำลายน้ำไขข้อซึมออกทั่วทั้งร่างกายกายบกเบาแต่ประสานงานกันความรมามัคีของธาตุ ขาดไข่ก็ย่อยอาหารอีกอาจนารนย์อาหรญาติโยมอาจารย์อาหารถ้าไม่ไม่ย่อยนี่เคยเป็นมาแล้วฉันตั้งแต่หนองไขยเรียกมาถึงขอนแก่นมันธรรมาอกทางเข้าทางปากออกทางปากเพราะไปทานไม่ย่อยที่ ไปธาตไม่ทำงานอาการของกลางขานของทุกข์ฉะนั้นในเรื่องของการบำเพ็ญภาวนาคือทำให้จิตเขาโลชราสปัญญาอาการธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุ เดินทั่วอากาศช่องว่างทุกทุกส่วนที่ช่องว่างอากาศธาตุ<า>นักปราคือพระพุทธเจ้าแต่อากาศธาตุ<า>เป็นผู้บำเพ็ญธรรมท่านจึงเจริญภาต วิญญาณาธาตุทำจิตให้มีสว่างกระจายองค์องปัญญาตแต่ไม่แสงสว่างทางตาทางหูตัวปัญญาที่ประสาทของเรามีเข้าใจในอะไรเป็นอะไรทิพซตา บางคนประสาตตาดีฉลาดมันประกอบกันหมดอะตัวสัญญาจำดีประสาตตาไวประสาตหูหูก็ไวประสาตจมูก รู้กลิ่นได้แป๊บเดียวมายิงตาหูทิพทิพหูทิพเขินหูทิพตาทิพกลิ่นในไกลก็ได้ยินได้รู้รู้กลิ่นลิ้นก็เหมือนกัน มีองค์กรของของใจแต่ทุกส่วนตาเราดีหูเราดีจมูกเราดีลิ้นเราดีกายดีงใจดีเขาด้วยใจดีคือบาเพ็ญธรรมะบำเพ็ญบเพ็ญทาน จิตก็ประทัดจากความตรณีมันเป็นศีลจิตก็ประกอบในเมตาเมตาเมตตานี่ทำให้เราอยู่เป็นชุขห็นลบไม่บิดเปลี่ยนจัดไม่ทรมานจัดถึงในองค์ของเมตตาอยู่ก็เป็นสุข นอนก็เป็นสุกตื่นก็เป็นสุกมันนิมิตวันได้เป็นทีรักของนมนุษย์